ก้อนก่อนไปไปที่อินเดียกันท่านได้ว่านเท้าได้ไปที่อินเดียก็เลยไปเล่าประวัติภาษาอินเดี <c oughs> อวันนี้ <c oughs> ชอบเดี๋ยวๆน้ำตาลหล <c oughs> ไปไปทำบุญวันวันที่1นึ่พระแสดงอะไรไม่รู้เอาน้ำตาไหลเรื่องแม่ <c oughs> ริงท่านนั้นก็ไม่ได้เอาอนตอนนั้นมาทั้งนั้นหรอลิงเปิดให้ดูนี่นะอ๋อถ้าถ้ามี u ูทูปก็เปิดมี u t u b e อันนี้ไม่มีทยี่มเก่ามากเลยค่ะด้านอันนี้เข้า u t ท b e ไม่ได้ช่เขาไม่ได้เข้าหมนแม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยยูทูปอันนี้รุ่นเก่าใช่เก่าที่มีเหมือนกทำถึงนาฬิกากำลังทำนาฬิกา ที่บรรยายเรื่องภาษารี่บุตมดูเเข้าไปไปตะลันทามไปตรงที่ที่ป ร, รยยินิพานของวิทยาเข้าไปบรรยายที่ตรงบรรยายค่อนข้างยาวในที่ป ร, รยยิณิพานอหนูชอบภาษารีบุต า, า, าทไมไมํไม ด, ด้วยปัญญาของท่านค่ะคื อ, คอ<ด>ที่ท่านสง่งผมเคยแบบบอกมาตลอดว่าแบบเวลาแบบทุกเรามีปัญหาหรือแบบอะไรเ ง, ไงี้ยให้แบบใช้ปัญญาเขาแก้ปัญหาเราจะได้ไม่หูใช่ใช่คือเหมือนแบบหลังๆก็เลยรู้สึกว่าเออแบบถ้าเราไปคิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยยังรู้อย่างนี้เรามีแบบข้อให้มันหมดแบบข้อกังขา ข้อที่จะไปวางมันเราก็ถูกเองคนะคะก็เลยพยายามแบบถ้าสิ่งดีเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วโอเคมันอาจจะแบบเหนื่อยช่วงไหนแต่ว่าก็พยายามแบบเราทําได้ลองทํามานี่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบใช้ปัญญาแก้มันไปเออทาไมล่ะทุก อ, อย่างมันต้องมีทางแก้สิคือจริงๆในในอริยสัจมันจะมีอยู่สี่อย่างหนึ่งทุกสมุทยัยนี่รถมากคาว่าอริยสัจเนี่ยก็แปลว่าความจริง อันปเปิดความจริงของพระรยาเจ้าความจริงที่ทําให้มนุษย์ธรรมดาเป็นพระรยะหรือบุคคลที่เข้าไปรู้ความจริงเหล่านี้ยความจริงอันรเริดสี่ประการได้อย่างทะลุทะลวงได้จะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยะได้ท่านท่านยังเรียกเป็นความจริงอันรเริดสี่ประการแต่โดยมากเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุก พนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยพอพูดแค่นี้แต่เราเราไม่ได้ไปรู้จริงๆว่าเราควรทํากิจต่อมันอย่างไรเราก็จะไม่เข้าใจถ้าในพระบารีถ้าพุทธพจน์ท่านจะบอกว่าทุกข์ขังอริยสัจจังปรินเยยยังแปลว่าอะไรทุกข์เนี่ยเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันให้ได้ไหควรที่จะทํากิจต่อทุกข์แบบนี้ คำว่าทุกข์ก็ดีปัญหาก็ดีอุปสรรคก็ดีเนี่ยสภาพของขอบเขตของปัญหาแค่ไหนเล็กใหญ่กลางอย่างไรเนี่ยเราต้องจับขอบเขตกำหนดตัวทุกข์นั่นให้ได้ต้องสามารถแยกแยะองค์ประกอบของทุกข์นั้นได้และที่สำคัญที่สุดก็คือทุกข์เนี่ยเป็นกิจเป็นหน้าที่ของปัญญาเข้าไปรู้ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของใจเข้าไปรับ่นเออตรงเนี้ย ทีนี้พอไม่ใช่หน้าที่ของใจกับการรับเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่เช่นแม่เป็นทุกข์เพื่อนเป็นทุกข์แฟนเป็นทุกข์บุคคลที่เราเกี่ยวข้องเขาเป็นทุกข์ตามธรรมชาติของเขาทุกข์จากความเร่าร้อนจากความตูกเบียดเบียนทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยที่ไม่ระมัด ร, ระวงังเราก็ไปเอาทุกข์ธรรมชาติมาจ่าใส่ไว้ในใจเราเก็กลายเป็นปรุงแต่งทําให้ใจเราเป็นทุกข์ อย่างเมื่อสักครู่ไอ้เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยโยมเขาที่มาจากอเมริกาเนี่ยเขามีลูกลูกก็มีปัญหาเขาต้องดูแลลูกตลอดตอนนี้ลูกก็มีอาการซึมเศร้าต้องกินยาบ้างโวยวายบ้างถั้งหายอะไรที่เป็นต้นเขาทุกข์มากเขาเครียดมากที่เขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนักข้าวนักข้าเนี่ยแต่ความทุกข์นั้นก็เจอกับเขาเสเองไม่ใช่ ร, รถทีนี้ เห็นไหมว่าความทุกข์นอกตัวเขาเนี่ยเขาก็ไม่ปรุงแต่งความทุกข์นอกตัวมาเป็นทุกข์ของตนเองแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วแล้วเราเราในที่สุดจริงๆเนี่ยความทุกข์มันมาอยู่ในเขาเรียบร้อยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยใช้ความสามารถผิดคือใช้ความสามารถเนี่ยแทนที่จะมีความสามารถในการปรุงแต่งสุขแต่ก็ใช้ความสามารถในการที่ไปปรุงแต่งทุกข์ และถามว่าทุกเนี่ยมันมาได้จากอะไรให้สังเกต ด, ดูนะว่าคนที่มีอกุศลสัญญาปปัญจสัญญาหรือกิเลสสัญญาไปจำในเรื่องที่ไม่ดีไว้เยอะๆถึงแม้เรื่องนั้นมันจะผ่านไปแล้วแต่ว่ามันมาอยู่ในความรู้สึกเราเรียบร้อยไอ้วความจำเหล่านี้มันมาปรุงแต่ง ปรงแต่งทาให้ใจเป็นทุกข์ทำให้เครียดทําให้กุ้มอยู่ไหมมันมาจากอะไรมาจากจากโดยสรุปตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าทุกข์เนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยถ้าทํากิจต่อมันถูกว่าทุกข์เนี่ยเป็นกิจของปัญญาปริญญ์เยยเนี่ยหรือปริญญาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาที่ต้องไปรู้จักต้องไปกําหนดขอบเขตจับตัวมันให้ได้ไม่ใช่หน้าทีของใจนี่ข้อแรกก่อนเรายังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันสอง ทุกขสมุทโยอริยสัจจังประหาตับพังสมุ ท, ทยัยอริยสัจเนี่ยหรือตัวตันหาเป็นต้นเหล่านี้เป็นกิจที่ควรละควรประหารควรกำจัดควรทำให้หมดไป ไ, ไมสมุทัยเป็นชื่อของตันหาตันหาก็คือความอยากก็ได้ความต้องการก็ได้ทีนี้สมุทัยมันไม่ใช่แค่ตันหาอย่างเดียวความโลภ ก, ก็เป็นตันหาความโกรธก็เป็นกลุ่มสมุ ท, ทยัย ความมัวเมาลุ่มหลงก็เป็นสมุทยัยสรุปก็คือกิเลสทุกหมู่ทุกกองนี่แหละท่านจัดลงในสมุทยัยยะสัจจะหมดควรละควรปรหารควรกำจัดควทนทให้หมดสิ้นไปเช่นเวลาเครียดเวลากโกรธเวลาหงุดหงิดเวลาไม่พอใจเนี่ยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าตัณหาตัณหามันมันมันเกิดในกระแสะชีวิตเราแล้วเราก็กิจของอริยสัจควรละควรประหารควรกาจัด ไม่ใช่ควรเจริญให้เรารู้แค่นี้ก่อนแต่เรายังไม่ต้องทำอะไรนะให้รู้สองส่วนก่อนหนึ่งทุกควรรอบรู้ควรกำหนดรู้สองสมูทายควรละใิกิจเนียควรประหารความขังจับประการที่สามคือนิโรธก็คือความดับทุกหรือสภาวะที่ปลอดจากทุกเนี้ยมาจากคำว่าทุกข์คนิโรโทอริยสัจจังสัจิกาตพังคาว่าสัจิกาตพังเนี่ยแปลว่าควรประจับ กค็ควรทำให้มีให้เกิดขึ้นสภาวะนิโรธเนี่ยสภาวะแห่งความดับทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายเพราะหนูเห็นปัญหาปุ๊บเจอปัญหาหแล้วก็หนูไปรอบรู้ไปเข้าใจเหตุของปัญหาแล้วเนี่ยหนูถ้งวางเป้าหมายว่าเราจะดับทุกข์ดับปัญหานี้ยังไงอันนี้เรียกว่าจุดหมายก็คือนิโรธนะคือนิโรธนั่นเองก็คือจุดหมายถ้าเรามองมญญใช่เราต้องมองถึง จุดหมายว่าเออเราจะต้องดับมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งสามอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยควรรู้หน้าที่ว่าควรไปทำอย่างไรหน้าที่ของเรามีหน้าที่ตอกมรคข้อเดียวคือทุกขันิโรธข้ามมินีปฏิบัติอาเริยสัจจังพาเวตับพังก็แปลว่าภาวนาจับเนี่ยแปลว่าควรทําให้มีควรทําให้เกิดขึ้น ปฏิบัติบําเพ็ญคือลงมือทําสรุปแล้วทําข้อเดียวก็คือทําข้อมารคเนี่ยทําข้อปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นความเห็นให้ถูกต้องความดําหลี่ที่ถูกต้องการใช้วาจาที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องและอาชีพในงานที่ถูกต้องเพียนพยายามที่ถูกต้องใช้สติที่ถูกต้องและใช้สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตที่ถูกต้องสรุปก็คือตัวปัญญาเห็นไหมเราทําข้อเดียวเนี่ย แปลว่าเราทําอริยสัจครบทีนี้ที่เคยพูดถือว่าไฟเนี่ยสมมติกองไฟกองหนึ่งที่มันลุกโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นทุกเป็นปัญหาใช่ไหมไฟน่ะเหมือนทุกเหตุที่ทําให้ไฟมันลุกขึ้นมาไหมขึ้นมาเนี่ยอะไรเชื้อฟืนบ้างน้ํามันบ้างสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงทั้งหลายที่มันเป็นเหตุยานแห้งทั้งหลายที่ทาให้ไฟมันลุกขึ้นมาอันนั้นคือเหตุของไฟ ถ้าเราไปเห็นเนี่ยว่าไฟนั้นเป็นไฟอะไรถ้าไฟไหมกองขยะไฟไหมบ้านหรือไฟไหมเมืองเห็นไหมสภาพของปัญหามันมันไม่เท่ากันเหมือนกองไฟมันไม่เท่ากันถ้าไฟขยะมันก็เล็กหน่อยถ้าไฟไหมบ้านมันก็ขนาดที่โตขึ้นมาหรือไฟที่มันไหมเมืองโอ้โหนี่ก็ไฟประเด็นก็คือว่าพอเราเห็นปัญหาเห็นไฟเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นไฟมันลุกขึ้นมา เราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ไฟที่มันลุกเนี่ยมันมาจากเชื้อของอะไรอะไรเป็นเหตุทำให้ไฟนมันลุกโผล่ขึ้นมาอ๋อมันมีเชื้อใช่ไมมันมีเชื้อมันมีฟืนมันมีหญ้าแห้งมันมีน้ามันหรือมันมีวัตถุที่ทำให้ติดไฟเนี่ยเป็นเหตุทำให้ไฟมันลุกขึ้นนี่ก็เรียกว่าเหตุถามว่าจริงๆเราต้องไปทำอะไรกับมันสองอย่างเนี่ยก็ให้รู้ก่อน เมื่อเรารู้ตัวปัญหาคือไฟรู้เหตุของไฟคือเชือ้อถ้าเราวัตถุประสงค์เราคือการดับไฟใช่ไมเป้าหมายคือการดับไฟเอาละสิเห็นไหมทั้งสามอย่างเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแต่ระวางเป้าหมายว่าดับไฟเรามาทำอยู่ข้อเดียวก็คือมาร์กก็คือวิธีการจะทำยังไงถ้าเป็นไฟไหม้ขยะเนี่ยเราก็ใช้น้ำนิดหน่อยดับได้ แต่ถ้าไม่บ้านขึ้นวายเนี่ยโอ้โหมันต้องไม่ใช่แค่นะมันต้องใช้รถดับเพลิงนะบางทีใช้รถดับเพลิงเนี่ยถ้าไหมเมืองหรือไม่ป่าเขาบางทีต้องใช้เครื่องบินเนี่ยใช้ออกซิเจนใช้ที่ไอก้ก๊าซที่มันสามารถที่จะทําให้อากาศไม่เข้าไปเคลงมางี่เป็นต้นก <c oughs> ็จะให้ไฟดับนี้เป็นต้น <c oughs> ตเห็นไหมว่าปริมาณของมาร์กต่างหาที่เราต้องทําวิธีการต่างหากเาจะมองเห็นไหมว่าพขาหนูเจอปัญหาซึ่งมันเจออยู่แล้วใช่ไหมว่า เ อ, อปัญหาที่เจอหรือที่ประสบเนี่ยมันคือทุกข์แล้วถ้าเรามีปัญญาเพียงพอมันจะกำหนดกหนดขอบเขตของปัญหาว่ามันเป็นปัญหาระดับใหญ่ระดับกลางระดับที่มันจะเห็นไดนดีและมันเห็นมากไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเห็นเหตุที่ทําให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเอายกตัวอย่างเช่นถ้าฉันมาเห็นหนูกําลังทุกข์มาก เครียดมากวิตกกังวลมากซึ่ดโซมมากมีปัญหาทํางานเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เป็นปัญหาจนถึงขนาดว่าหนูเนี่ยโซมเลยร่างกายนี่โซมเลยว่านฉันก็ต้องสาวอัยหิตทนเห็นป๊บว่าโอ้นี่ปัญหาอะไนี่ทุกเกิดขึ้นเลยมาจากอะไรอ๋อมาจากหนูอยู่ในที่ทํางานแล้วหนูไปเสพติดกับเรื่องไม่ถูกไปคิดไม่ถูกขึ้นมา มีความต้องการอยากจะให้ที่ทำ ง, งานเป็นอย่างนี้คนร่วมงานเป็นอย่างนี้อยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนเขาไม่เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการเพราะทุกคนเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานี่เห็นได้ชัดแล้วว่าทุกคือกระแสชีวิตของหนูนี่เป็นทุกมีปัญหาเยอะเหตุของที่หนูทุกนี่เพราะมาจากการวางท่าทีตางใจผิดใช่ไหม คือปล่อยให้ความต้องการมันเข้ามากระแสของความต้องการขาาาองนหนูเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจกับกระแสของเหตุปัจิกิริยากระแสของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่หนูต้องการเมื่อหนูต้องการบอกว่าให้ท่านไนส์เนี่ยอยากให้ท่านไนส์เป็นเป็นพระที่ไปนั่งที่ไหนแล้วเรียบร้อยสมมุติแต่ท่านไนส์เนี่ยเป็นพระที่งกไม่ไม่เรียบร้อยมีเลือนเป็นคนคิดใจคิดฟ้าไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกระแสของความต้องการที่อยากให้ท่านไนส์เป็นกับ กระแสความจริงที่ท่านไนเป็นกระแสความต้องการของหนูไปกระทบกับกระแสความเป็นจริงคือท่านไนท่านไนส์มีบุคลิกภาพของเขาเป็นแบบนี้ทํายังไงคิดยังไงต้องการยังไงก็ไม่สามารถทําให้ท่านไนเป็นไปตามกระแสความอยากกระแสความต้องการของหนูได้เอาละสิเีนี้กระแสชีวิตของหนูถูกอะไรกระแสของตันหาเข้าไปหมุนจากที่ไม่ จากที่หน้าตาผ่องแพ้วเบิกบานกลายเป็นหน้าตาบูดบูเดเบี้ยวเดินน้นเครียดวิตกกังวลทำไมภาถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแปลว่าหนูเดินสมุทรยศสัจจาแล้วก็ทําให้ได้ทุกขสัจจาที่ถูกตัณหานน้นบิดเบียนบีบขันตลอดเลยนะพอจะเห็นปุ๊บฉันก็รู้ทันทีว่าเนี่ย น, นี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกตอนนี้หนูกําลังเอาลูกศอนเนี่ยเสียบที่อกตัวเองอยู่ใช่ไหม ทุกทรมานตลอดเสียบ ด, ดอกนันไม่พอเสียบไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยก็ทรมานอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีอุบายวิธีในการที่จะถอดลูกสอนออกแล้วก็ใส่ยารักษาทีนี้ถ้าฉันเป็นคนมีปัญญาเพียงพอฉันก็บอกทันทีว่ากระแสความต้องการที่หนูพึ่งเป็นอยู่ที่ต้องการให้เป็นเนี่ยมันไปนกระทบกระแสของความเป็นจริงคือกระแสธรรมชาติบอกท่านไหนท่านเป็นธรรมชาติท่านแบบนี้ เราต้องการให้ท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้เมื่อกระแสของธรรมชาติคือกระแสของความจริงของท่านเป็นแบบนี้กับกระแสความอยากของเราไปปะทะกันขึ้นมากระทบกันอยขึ้หมืากระแสความอยากก็แพ้กระแสความต้องการก็แพ้กระแสความเป็นจริงที่ท่านให้เป็นก็ชนะนุกหนูก็ทุกข์ทรมารมองเห็นไหมทีนี้วิธีแก้ทํำยังไงก็ถอดกระแสความต้องการออก เอากระแสะอะไรมาแทนที่เอากระแสะของปัญญามาแทนพอกระแสะของปัญญาเข้ามาอยู่ในใจปุ๊บหนูถอดสมุทรยาศสจ้าออกไม่เดินด้วยข้อสองไม่เดินอริยศาสตร์ข้อสองไปเดินข้อสี่ใช้ตัวสมาธิถี่กระแสของปัญญามาแทนพอใช้สมาธิถี่คือปัญญามาแทนที่ปุ๊บ ก, ก็มองไปที่ทนายใหม่ไม่ได้มองไม่ได้มองตามความต้องการที่อยากจะให้เป็นแต่มองตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอ๋อ ธรรมชาติท like like like ี kingdom, Guys, it. It ่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะท่านมีกระบวนการความคิดอย่างนี้มีทัศนคติอย่างนี้ก็สิ่งที่มันเป็นอย่างไรธรรมชาติที่เป็นอย่างไรก็มองตามความเป็นจริงอย่างนั้นตามที่มันเป็นอย่างนั้นพอมองอย่างนี้ปุ๊บหนึ่งกระแสของธรรมชาติสองกระแสของปัญญาก็ไปฟุบปัญญาก็ไปเห็นเห็นอะไรเห็นกระแสธรรมชาติว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยกระแสของปัญญาก็กระแสของความเป็นจริงกลายเป็นกระแสเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเป็นกระแสเดียวกันคือมองแล้วไม่ขัดแย้ง มองแล้วมันเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นกระแสธรรมะเพราะกระแสธรรมะเกิดขึ้นมาปุ๊บหนูก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยขัดแย้งไหมไม่ขัดแยง้งก็มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นทันทีเลยเดีนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอย่างไรก็เข้าใจอย่างนั้นอคนคนนี้มีความโลภเกิดขึ้นมีความต้องการเกิดขึ้นจึงมีบุคลิกภาพแบบนี้ จะมีพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมที่เป็นผลอย่างนี้มาจากเขตุคือความโลภทีนี้พฤติกรรมของคนคนนี้ทั้งโกรธทั้งเครียดทั้งพยาบาทหรือหน้าตาถะมึนถึงอย่างนี้ผลที่เห็นอย่างนี้ทุกที่เห็นอย่างนี้มันมาจากโทสะมาจากความเครียดมาจากความโกรธมาจากความหงุดหงิดฟุ้งซ่านผับดันทามมําให้กระแสชีวิตของท่านผู้นี้เป็นแบบนี้ท่านผู้นี้เป็นความที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรลังเลสงสัย เป็นคนลังเลมากไม่กล้าชี้ผิดชี้ถูกเป็นคนเกงใจบุคคลบางเกงใจสถานที่บางเกงใจสภาพสิ่งแวดล้อมไม่มองอะไรเป็นไปตามกระแสของธรรมะไม่กล้าตัดสินอะไรแบบตรงไปตรงมาเพราะลังเลมีโมหะมีกําลังแยกแยกผิดถูกไม่ออกที่มีบุคลิกภาพอย่างนี้ผลที่เป็นอย่างนี้เันมาจากโมหะมาจากวิจิกิจฉาฝังแน่นในกระแสชีวิตปั่นในกระแสชีวิตของเขาตั้งนาน สมุทัยยะสจัตตานี้ฝังในกระแสชีวิตของเขาเขาจึงการเป็นคนโลเลไม่กล้าตัดสินใจแยกผิดแยกถูกไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรเป็นมาตรฐานของชีวิตเออพอเห็นงี้ปุ๊บขึ้นมาหนูลูกเห็นผลปุ๊บหนูสาวไปหาเหตุได้เนี่ยเห็นไหมปัญญากระแสของปัญญาของหนูมองสิ่งทั้งหลายไปตามเหตุปัจจัยพอเห็นผลปุ๊บสาวไปหาเหตุได้มาจะเหตุอะไรเหตุของโลภะมีบุคลิกภาพอย่างนี้ เหตุเพราะสั่งสมโทสะมีบุคลิกภาพอย่างนี้เหตุเพราะสั่งสมโมหะจึงมีบุคลิกภาพแบบนี้เริ่มเห็นนี่ยังก็เห็นกระแสของทุกขสัจจ์สม eh ุทัยสัจจ์ของปาราสัจจ์ทั้งหลายที่ดําเนินไปอยู่หนูก็มีกระแสของปัญญาเข้าไปเห็นเห็นตามเหตุปัจจัยจากกระแสของปัญญาก็เชื่อมโยงเป็นกระแสเดียวกันกลายเป็นกระแสของธรรมะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยตลอดเริ่มเห็นชัดไหมเห็นไหมเนี่ยก็เรื่อง วิหนูจากที่หนูมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยตันหาวนนะทิฏฐิหนูก็เปลี่ยนไม่ใช้กระแสของตันหาไม่ใช้กระแสของมานะไม่ใช้กระแสของทิฏฐิแต่เอากระแสธรรมะกระแสปัญญามาแทนเอากระแสของสังกปะคือดําริลีแทนมาถูกต้องเอากระแสของศีลกระแสของสมาธิโดยเฉพาะเอากระแสของปัญญามานาําพากระแสของความคิดหนูก็มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจะมองแม่ก็มองว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม่ทำเหตุปัจจัยอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้มองคนใช้มองใครมองเพื่อนมองแฟนก็เข้าใจตามที่มเป็นเขาเป็นอย่างนี้มามีบุคลิกภาพอย่างนี้มาจากสภาพจิตใจอย่างนี้มีจากทัศนคติมุมมองนี้เข้าใจเห็นผลสาวหาเหตุเห็นเขากําลังทําเหตุรู้ว่าผลจะเกิดขึ้นในอนาคตชัดไหมทีนี้รู้เลยเนี่ยถ้าทําเหตุแบบนี้มีถ้าทําเหตุ ด, ด้วยโลภะ ทำเหตุด้วยโทสะทำเหตุด้วยโมหะแบบนี้ผลในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าสร้างสมปันกระแสะความคิดของตนเองเนี่ยปรุงแต่งทุกมีความเครียดกลุ้มเอาทุกธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราตลอดเห็นฝนตกฟ้าร้องก็เอาทุกธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจคนรถติดเอาทุกธรรมชาติรถติดมาใส่ไว้ในใจเราก็ปรุงแต่งต่อใช่ไห ม, ม, ม <laughs> ใช่ไหม เวลาสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็ทุกมันเป็นตามธรรมาชาติของมันอยู่แล้ว <_ d ata> แต่เราก็เอากระแสของความอยากของเราว่าไม่อยากให้มันเป็นแล้วอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันก็มาปรุงแต่งทุกปรุงแต่งอยู่ น, นั่นแหละตอนนี้ก็เลยเป็นคนมีความชํานาญในการปรุงแต่งทุกขเครียกใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดใช่ไหมความสามารถคนบางคนเก่งเก่งมากปรุงแต่งทุกขได้ละเอียดมากได้วิกิตบรรจงมาก ปรุงแต่งจนถึงขนาดเป็นโรคจิตโรคประสาทบางคนหนักไปกว่า น, นั้นเนี่ยปรุงแต่งจนตนเองต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลผูกมัดไปนะบางคนปรุงแต่งขนาดหนักทำร้ายตัวเองเลยใช้มีดกรีดตัวเองหนักไปกว่า น, นั้นก็คือฆ่าตัวเองตายเลยเี่ยปรุงแต่งได้ขนาดนั้นเห็นไหมความสามารถตรงเนี้ยซึ่งเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละที่เป็นสัตว์พิเศษที่ใช้ความสามารถได้วิจิตบันจงมากถ้าคนคนนั้นที่มีความสามารถวิจิตบันจงขนาดนั้นนะพิกความสามารถหม่ แทนที่จะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งทุกและทามาปรุงแต่งสุขลองคิดดูที่ว่าปรุงแต่งสุขขนาดไหนคนบางคนเนี่ยปรุงแต่งการมาสุกโอ้โหเป็นคนติดเพลิดเพลินในการมาสุกอย่างมากเลยนะถ้าพัฒนาต่อเขาปรุงแต่งสุขระดับสีละสุกเขามีความสุขกับการมีอยู่กับสีนะ เขาสุขมากเขาในงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมใจที่เป็นไปกับเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเขากับมีความสุขไงบางคนปรุงแต่งสมาธิระดับสูงสูงเลยนะปรุงแต่งปรุงแต่งไปโอ้โหจนเข้าถึงความสุขที่สูงสุดได้คิดดูทีว่าปรุงแต่งจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ ปรุงแต่งจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นภาษาลิบุตรเป็นต้นได้เนี่ยกระบวนการในการพัฒนาที่การปรุงแต่งนะคือการฝึกตนเองในการเข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จ ร, ริงเหมือนภาษาลิบุตรทัานเกตดูไหมว่าตอนที่ท่านบำเพ็ญบรารมีอยู่เนี่ยตอนท่านเป็นดาบเนีนะ่มีบริวารตั้งเจ็ดพันตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าด้วย บางเพนเนคขม้ออกบวชเพราะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกลางมาสุขก็ต้องหาความสุขในเนคขม้าสุขคิดว่า้กลามมันกลามมันต้องอาศัยมันต้องพึ่งพาเช่นเราจะมีความสุขจากกลามเนี่ยเช่นมีความสุขจากการที่อยากจะได้จากการขับรถเราต้องอาศัยรถเป็นตัวสื่อจากการกินอาหารก็ต้องอาศัยอาหารสุขจากการต้องเสื้อผ้าก็ต้องอาศัยเสื้อผ้ามีความสุขจากการ มีบ้านก็ต้องหาซื้อบ้านมันต้องอาศัยวัตถุข้างนอกเสษมันถึงจะสุกถ้าไม่มีวัตถุสิ่งเสพมันสุขไม่ได้และไอ้วัตถุสิ่งเสพเนี่ยพอเราเสพได้แป๊บหนึ่งมันก็เบื่อเหมือนเราไปเที่ยวไปเที่ยวหัวหิวไปเที่ยวพัตยาไปเที่ยวบางแสนไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่คพอไปสักครัง้งสองครัง้งมันเซ็งเนี่ยเบื่อตัณหามันก็วิก จ, จิตมากขึ้นมันต้องการสิ่งเสพมากขึ้นจะไหมเรื่องวิก จ, จิตมากขึ้นซ้ํามันก็ไม่เอาต้องการแบบใหม่ๆรสชาติใหม่ๆไปเรื่อยๆ แล้วหนักข้านักข้าวมันมันสิ่งเสพมันไม่พอหนักข้านักข้าก็เบื่อแล้วตาก็แย่ลงหูก็แย่ลงใจหมูกเล้นกายสภาพจิตใจเราก็แย่ลงท่านก็บอกไม่เอาแล้วเราต้องการสุขแบบประเภทที่มันไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพก็คือสุขจากจากการฝึกจิตเข้าถึงความสุขในระดับต่างๆท่านก็ฝึกสุขในปฐมฌานในทุติยฌานตัทยฌานเจตุลฌานละรูปฌานในอภิน ญ, ญา ท่านได้ความสุขสุขที่ละเอียดกว่าประณีดกว่าสุขเลยนะแต่ท่านก็ยังต้องอาศัยอยู่ยังอาศัยสมาธิเป็นตัวกรอบอยู่ยังต้องอาศัยตัวฌานสุขเป็นตัวกรอบอยู่ท่านก็ยังไม่ได้สุขที่เป็นอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงคือสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องอาศัยกิเลสเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านยังอาศัยสมาธิเป็นตัวกรอบอยู่มีอยู่วันหนึ่งท่านก็มากับลูกศิษย์เหาะเหะมาก็เจอพระเจ้าเจอพระอนงค์มัทสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเห็นปั๊บเนี่ยด้วยการที่ท่านสั่งสมอัตยาสายสั่งสมบารมีมาดีเนี่ยพอท่านเห็นปั๊บเนี่ยไม่ต้องบอกเลยท่านผู้นี้เป็นใครแค่ท่านเห็นนั่งที่เข้าสมาบัติอยู่เข้านิโรธาสมาบัติอยู่ที่ประดับมีมามีนรลักษณ์สามสิบแปดสามสิบหกสองประการแล้วก็มีทศพลายานแล้วมีฉับพันกำลังสีแผ่ออกข้างลาวาพอท่านเห็นอย่างเนี้ย ท่านรู้ทันทีว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระสัมพุทธเจ้าคนที่เห็นป๊บก็รู้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าท่านสั่งส ม, สมปัญญาใสมาอย่างดีศึกษาเรื่องมหาโพริสระขณะมาเป็นอย่างดีฝังไว้ในกมวลสัศมีฝังไว้ในกระลและ ส, ะสชีวิตพอเห็นป๊บเนี่ยเราก็พูดไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกว่าใช่เนี่ยท่านคนนี้ต้องเป็นบุคคลสูงสุดแน่นอน พอท่านเห็นปุบท่านกระตลึงท่านก็ประนมมือยกมือประนมยืนอยู่ลูกศิษย์มาถามว่าท่านอาจารย์ท่านผู้นี้กับท่านอาจารย์ใครยิ่งใหญ่กว่ากันท่านตกใจทันทีท่านบอกว่าท่านพูดอะไรท่านจะเอาขุนเขาเิเนรุมาเปรียบกับก้อนกรวดหนึ่งเม็ดเนี่ยมันเปรียบกันไม่ได้ท่านผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลาย เป็นบุญยาลาภแล้วเราจงขนขวายบุญจงทําจนขนขวายบุญท่านก็อธิษฐานอธิษฐานเอาดอกไม้มาทําเป็นบรรลังถวายเป็นพุทธบูชาท่านก็ถือฉัดอธิษฐานฉัดอา่มดอกไม้ท่านก็ไปยืนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาอนี้เจดวันท่านยืนพุทโธพุทโธอุทานอย่างนั้นท่านเห็นปัญญาที่ท่าน ท่านระลึกถึงเอาท่านทําด้วยศรัทธาดอกไม้ก็ดีฉัดก็ดีล่มก็ดีเนี่ยนี่เป็นอาบิสบูชาแต่ศรัทธาที่ท่านมีต่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแกล้วกล้าอาจหานในการในการถือฉัดถือล่มกันมีสติระลึกอยู่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องว่าเราจะบูชาพระเจ้า ถึงแม้อัตภาพนี้จะมาลายจะดับจะหมดไปเนี่ยเราก็จะไม่ถอนความตั้งใจเราจะถวายเป็นพุทธบูชาเราจะมีจิตตั้งมั่นในการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเราเห็นโทษของสังสารวัฏเราจะบูชาพระสามพุทธเจ้าทั้งตั้งใจละลึกหมุนหมุนใจตัวเองเนี่ยหมุนกระแสความคิดตัวเองไปในคุณของพระพุทธเจ้าละลึกถึงพระปัญญ า, ยาคุณพระพุทธเจ้ามี พ, พยายามระปัญญาทําลายอริยสัจเศษศสี่แล้วแล้วโนเนี่ย ลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็จะฝึกตนเองเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้พระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณมานั่งหน้าที่ตรงนี้เพื่อมาโปรดเราทําให้สัตว์ที่ต่ําต้อยอย่างเราได้บุญเราจะใช้ศรัทธาของเราเป็นประดุจดังมือกรอบเอาบุญนี่ย กอบเอาเอากุศลกอบเอากุบ right no ุญทั้งหลายมาเก็บไว้ในห้องใจของเราให้เต็มเราจะนั่งเก็บเราไม่ใช่คนจานทาเราไม่ใช่คนนาถาเรามีศรัทธาก็คือเรามีมือท่านก็เก็บบุญเข้ามาสู่ในกระแสชีวิตตลอดเก็บเก็บเก็บถืออยู่อย่างนั้นแหละทําอย่างเนี้เจ็ดวันนะเจ็ดวันนะทีนี้เออบรรดาลูกศิษย์ท่านก็ไปบางคนหิวก็ไปหาผลไม้มากินกันพอครบเจ็ดวันพระพุทธเจ้าก็ออกออกมาท่านก็ ท่านกลางร่มอยู่ให้เสร็จถวายเป็นพุทธบูชาไปเสร็แล้วพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงอัครส า, าวกบรรดาภิกษุตั้งหลายให้มาภิกษุเหล่านั้นก็พากันมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้อัครส า, าวกเบื้องขวาสแสดงธรรมหมู่สัตธิวิหารกของอดีตของภาษารีบุตรเนี่ยแต่ท่านก็ฟังแต่ท่านเนี่ยไม่สนใจตามพระธรรมเนี้ย แต่ท่านเห็นท่านอัศจรรย์มากท่านอยากจะเป็นแบบนี้ท่านอยากจะเป็น อ, อัคระสาวะเพื่อนขวาท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสัมพุธยายเพราะคำว่าสัมมาสัมพุธยายเน יע, ี่ยจะมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอัคระสาวะเพื่อนขวาต้นงซ้าท่านอยากจะส่งเสริมท่านอยากจะส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้สัมมาสัมพธยายในอุบัติเกิดขึ้นในโลก และท่านต้องการให้สัมมาสัมพวียานเนี่ยช่วยหรือรสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏทุก์ใช่ไหมท่านต้องการโดนนะท่านอยากเป็นส่วนนในการที่จะในการที่จะทําให้ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ ม, <c oughs> ถ ม, มีถ้าไม่มีอัคระาสาวเพื่อนขวาสัมมาสัมปวียาณก็มีไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> หรือถ้าไม่มีองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น พระเจ้าสุดโทนะนางสรีมาหมามายาเป็นต้นเนี่ยองค์ประกอบแบบนี้ก็คือเป็นเป็นองค์ประกอบที่จะผักดันทำให้สัมมาสัมโพธิยานเกิดขึ้นเหมือนตอนที่กันหาชาลีทมกัญหาชาลีตอนนั้นน่หนีแล้วหนีพ่อลงไปในสรานะตอนนั้นเนี่ยพระเวสสันตรตอนาบอกลูกเออลูกจงทามาโนนิทานหลวงพ่อนี้ให้เต็มนะถ้า พ่ไม่ได้สลักบุตรสละกภรยาสละภรยานี่ยสัมมาสัมโพธิญาณที่ปรากนาก็เลยลูปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นพลังผลักดันทําให้สัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นจงทํามโนรถของพ่อให้เต็มเพื่อผลสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตเห็นไหมมันไม่ใช่ทําเพื่อพวกเราอย่างเดียวนะนอกจากพวกเราจะพ้นทุกข์เราพ้นทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วย เราตัดสรู้อริยสัจสี่แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรู้อริย ส, สัจสี่ด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยฉนันจะร่วมทำกันไหมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัมมาสัมปวรญาณทหาชาลีถึงโพถึงดึงิด่งถึงขึ้นมาแล้วก็บอกร่วมร่วมนะพะ่อเหนื่อยทุกยากขนาดไหนหนูจะช่วยทํามโนปริธานของพ่อให้เต็มเราจะทําสัมมาสัมปวรญาณให้เกิด ข, ขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นดวงตาของโลกเนะี่ยเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวของจักรวาลเพื่อจะทําให้สัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดได้เห็นแนวทางในการดําเนินชีวิตไปสู่เกิดมาได้ครับอันนี้มันเป็นจุดหมายร่วมที่ต้องต้องต้องมีพลังต้องมีความอดทนต้องต้องมีความากล้าหากใช่ไหมเนี่ยพระอดีตของท่านพระส า, ารีบุตรท่านทํานั้นไปเสร็จท่านก็วางใจแล้วท่านบอกท่านจะเป็นอย่างนี้แล้วลท่านก็ตั้งนนกิจการแค่ไหนพระเจ้าแสดงคําจบต่อมาท่านจะกลา่าหรือเปา โโท่านโนมาทัศส์ศีก็ชี้มาว่าท่านผู้บูชาเรานีบูชาเราเนี่ยด้วยเครื่องสการะภายนอกและด้วยธรรมะบูชาที่สังสมเป็นอย่างนี้ท่านผู้เนี้ในคือในในในอัตภาพหนึ่งสงไขยอย่างนี้ไปเนี่ยจะไม่รู้จะคำว่าทุกติเลยทุกติจะไม่จะไม่เป็นสัตว์นรกเลยนะจะไม่เป็นสัตว์ไร้ฉันเปลือยสละกายนะ ท่านคูนี้จะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารโลจะเป็นจักรพรรดิหนึ่งพันครั้งเนี่จากกุศลที่ตั้งใจขนาดนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันจะเป็นพระราชาในประเทศสลาตนับไม่ได้แล้วก็ไล่ไปตามดัาบอกในภพสุดท้ายท่านจะเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีขลังวุีก็คือเกิดที่นารันทาจะเป็นบทของนางสาลีมีน้ำภาษาลีแล้วก็บอกว่า จะเป็นอักาลาสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีนามว่าโคดมท่านผู้นี้เข็มเบือนนายไปดูเบือนนายในใ น, ในกามะคุณแล้วจะออกบวชแล้วจะได้ฟังธรรมจากพระสัชิีได้ดวงตาเห็นธรรมและจะฟังธรรมที่ถ้ำจุกกราขาตาเนี่ยฟังเวทน า, าบริกาสูตรจะได้ตัดสู้เป็นพระทหารอักขาว ได้เป็นอัคร า, าสาวกเบื้องขวาของพระสัมพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องประดับอลังการละทำให้จะช่วยพระเจ้าในการหมุนกงล้อแห่งธรรมนไห ม, หมุนกองล้อแห่งธรรมให้ดําเนินไปเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านเกิดมาในอัตภาพเนี่ยแล้วต่อมาท่านออกบวชฟังธรรมจากพระอสสชิบเบ็ดเสร็จแล้วท่านไปฟังธรรมอีกสิบห้าวันท่านไปฟังธรรมของพระเจ้ทาที่ทาสุกสารขาตาท่านได้ตัดสรุป เบสเสดพริเจ้าก็ตั้งท่านอยู่ในฐานะอัครส า, าวกเบื้องขวานับตั้งแต่วันวันนั้นโอ้โหท่านประกาศหลักการของคําสอนของพระพุทธเจ้าให้คนได้ตัดสินรู้นับไม่ได้นี่เห็นไหมเป็นพลังอย่างมากท่านทํางานในพระศาสนาในสี่สิบสี่ปีในวันสุดท้ายที่ท่านท่านพิจารณาตอนนั้นท่านอยู่ที่เชตวัดท่านอายุมากแล้วท่านก็พิจารณาว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับ อัคราสาวกใครนิพพานก่อนท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานก่อนเอ๊ยอายุท่านเหลือเท่าไหร่บอกเหลือเจดวันท่านก็พิจารณาว่าโอ้เนี่ยแม่ของท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งเจ็ดมีลูกเป็นพระอรหันต์หมดแต่ว่าแม่ยังเป็นวิฉาทิฏฐิท่านก็บอกเออท่านจะไปนิพพานที่ไหนบอจะไปนิพพานที่บ้านของที่ห้องนอนที่ท่านเกิแล้วจะไปโปรดแม่แล้วนิพพานท่านก็เลยไปลาพระพุทธเจ้า ท่านก็บอกพิกสูงห้าร้อยรูปที่เป็นศี์ของท่านและท่านก็บอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็เพกราบลาพวลาไปกาบลาเนี่ยท่านลาพระพุทธเจ้าว่าฆ่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญนชขไ่าพระ อ, องค์จะลาพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเพื่อเข้านพิพพานพราะพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าจงไปจงนิพพานเถิดจงอย่านิพพานพระเจ้าไม่พูดคำนี้นะถ้าว่าจงนิพพานเหมือนการสรรเสริญความตาย อย่างนิพพานเหมือนการสรรเสริญวัตถะท่านก็นเลยถามว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจากนิพพานที่ภาษาลิบุตรว่าจากเวรนิพพานที่นารันทาที่บ้านเกิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าว่าดูก่อนสารีบุตรการที่พุทธบริษัทสีเข็นบุคคลเช่นเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่บุคคลที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาได้อย่างเธอเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ขอให้เธอเนี่ยจงแสดงธรรมก็คือจงเปิดเผยคุณธรรมทั้งหมดที่เธอได้จากพระพุทธเจ้าเอามาตีแผ่ท่านก็แสดงธรรมที่ว่าประดุดังราชสีราชสีคำรามท่านแสดงทั้งฤทธิ์แสดงทั้งธรรมมาสัตว์ในสมติกิตสูตรแสดงธรรมเนี่ยรู้ไหมกระทั่งว่าราจิตของคนภาษาเรีบยบวุ่นเป็นคนที่มีปัญญามาก มีคำว่ามีปัญญามากก็หมายความว่าเวลาท่านเห็นกระแสะชีวิตของใครท่านแยกองค์ประกอบได้หมดแยกทั้งหมดทั้งส่วนของกระบวนการความคิดแม้กระรูปธรรม ท, ทั้งหมดแยกย่อยได้ทั้งหมดและท่านเป็นคนที่มีกําลังของสติสัมปชัญญะสูงมากคือท่านสามารถระลึกได้หมดเลยนะอย่างวันเนี้ยท่านเดินกี่ก้าวเนี่ยท่านรู้หมดเลยเนะ กินอาหารกี่คําเดินกี่ก้าวแล้วมณสิการอะไรเดินไปในมุมไหนทํากิจกรรมใดๆเนี่ยแต่ละจุดท่านรู้หมดเลยท่านอยู่ในวัดเชตะวันปุ๊บเนี่ยท่านจะออกบินทบาทที่หลังครับแล้วท่านกําหนดได้หมดว่าท่านเดินท่านท่านฉลาดมากเวลาท่านกว่าจะออกจากบินทบาทออกจากที่หลังเขาท่านจะเก็บหมดเลยตรงไหนยังไม่ได้เก็บตรงไหนยังวางอะไรไม่เรียบร้อยท่านจะจัดอะไรวางเรียบร้อยมีด้วยความเป็นคนมีปัญญามากและจะไม่เคยลืมเลยตรงไหนวางตรงไหน และอะไรตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยเห็นปุ๊บหมดเลยเนี่ยปัญญาท่านระดับนะั้นท่านจึงสามารถกรับไปประมวลความคิดของมนุษย์ก็ได้ประมวลวิจัยเรื่องรูปธรรมและนามประธรรมาได้ทั้งหมดเวลาตอนนั้นลาทาพารามเนี่ยตอนมาบวชจะมาบวชตอไอ้ที่มาตอนแก่มาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงดูแล้วเนี่ยพระเจ้าถามว่าใครจําอุปการะของลาท้าพามพวกเท่านี้ได้นะท่านระลึกปุ๊บท่านยกมือไดงนี้ ท่านบอกว่าเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วท่านข้าพเจ้าบิณธบาติที่กรุงเทพจะคือพรางพว์นี้เคยใส่อาหารหนึ่งทัพพีทัพพีเดียวข้าพเจ้าจําได้ว่าอาหารนั้นเคยเข้าสู่ในกระแสชีวิตข้าพเจ้าทําให้กระแสชีวิตของข้าพเจ้านั้ น, น, นดําเนินไปได้ในการเข้ากับสมาบัติเป็นต้นข้าพเจ้าระลึกถึงคุณของท่านวันนี้ได้นี่จาได้ฉะนั้น ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดใครเคยทําอะไรกับท่านเนี่ยจําได้หมดจําได้หมดรู้รายละเอียดหมดแล้วก็เวลาท่านจะเดินจากเนี้ยวันหนึ่งเดินไปสิบกิโลท่านรู้ไหมกระทั้งว่าท่านก้าวกี่ก้าวแล้วเหยียบอะไรบ้างเนี่ยท่านกําหนดสติสัมปชัญญะท่านขนาดนั้นนะี่ยนี่คือปัญญาของพระสารีบุตร น, นอย่าแปลกใจว่าท่านเป็นองค์ประกอบในการช่วยสัมมาสัมพชัญญะช่วยพระเจ้าอย่างมาก นันคนที่ที่ฝึกบมเพ็ญบา ร, รมีมาขนาดนี้เห็นไหมมองแท่านละเอียดอ่อนมากเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนที่มีกระตันยูสูงกระตะเวทีสูงท่านแสดงธรรมเสร็จแล้วท่านมายืนต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านก็เล่าอาดีตท่านเล่าว่า ครั้งแรกในสังสารวัตรที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้ า, าเห็นพระโนมาธาตีสมาจาร์คือเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างกันกลางองคเพราะท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านตั้งจิตปราถนาอยากจะเป็นอัคราาะสาวุท่านบอกว่าความปราถนาท่านสมบูรณ์และท่านปราถนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปราถนาจะสัมผัสพระบาทของพระพุทธเจ้าคือขออยากจะจับอยากจะซับระบาท พระเจ้าก็ยื่นพระบาทท่านก็กรงลงไปแล้วใช้มือจับจับพระบาทแล้วท่านซบศรีษรษะลงไปแล้วท่านบอกว่าหนึ่งสองไขยิ่งด้วยแสนกับที่ปรารถนาจะมาจับข้อพระบาทของพระเจ้าแล้วจะแตะศรีรษะปีติท่านก็เกิดท่านบอกมโนรถของข้าพเจ้าเต็มเรี่ยมแล้วข้าพเจ้าทําสิ่งที่ปรารถนาได้แล้วเมโนร ท่นปีติเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านวท่านท่านท่านท่านจะลาพระุทธเจ้าพวกเขานิพพานจะล า, าะลาพุทธเจ้าพวะเขานิพพานแล้วท่านก็กราบแล้วก็แล้วก็ปทักศีกราบในทิศทั้งสี่ลาพุทธเจ้าแล้วท่านก็ประประคองอัญเชลีก็เดินถอยถอยนีดถิด เดินถอยค่อยๆเดินถอยถอยถอยไปจนรับสายพระนี่แล้วท่านก็หันหลังกลับพร้อมได้สัติวิหาริขาร้อยตัวพธเจ้าก็บอกให้ภิกษุภิกนิยนเดินตามตามส่งเดินเดินไปเป็นไกลท่านก็หันมาก็บอกว่าท่านทั้งหลายท่านอย่าตามข้าพเจ้าไปเลยการอยู่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดีเลย สังขารทั้งหลายเป็นแบบนี้ท่านก็ส่งบุคคล น, นั้นกลับแล้วท่านก็ก็กลับไปหาแม่ที่นารันทานั่่แหละนั่นแหละท่านเป็นนิพพานที่นั่นพอไปถึงแม่ตอนนั้นยังเป็นวิจฉาทิฏฐิอย่างที่เรารู้เลยเนี่ยชี้ให้เห็นแล้วในสุดยิงท่านก็ไปไปปรดแม่ได้แล้วพอโปรดแม่เบ็เสร็จแล้วพอแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพระก็ให้แม่กลับไป และท่านก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมร้องท่านก็บอกท่านทั้งหลายท่านตามข้าพเจ้ามาเหมือนเงาตามตัวเนี่ยสี่สิบห้าปีสี่สิบสี่ปีถ้าการกระทําใดๆของข้าพเจ้าที่มีการร่วงเกินท่านขอให้ท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยพระเหล่าท่านก็บอกว่าพระเถระข้าจะให้ท่านพระเถระผู้จะรู้ การกระทําทางกายวาจาใดๆที่พระเถระกระทํำไม่มีเลยที่จะทําให้เข้าไปเย้าขัดเคืองไม่มีเลยที่ไม่ควรอันนี้บ่งบอกอย่างไรเลยบ่งบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมากเพราะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมากกระตันยูกระตะเวทีสูงมากมีความอดทนสูงมากมีความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นคนรอบรู้รู้การอันควรทั้งหลายเหล่านี้ ที่ไม่อยู่กันสี่สิบกว่าปีแต่ไม่มีเลยท่านก็ขออดโทษซึ่งกันและกันเสร็จเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าท่านก็ให้พระจุตทะจากท่านท่านก็นอนนอนเหมือนที่พระุทธเจ้านอนแล้วท่านก็ดึงชักจีออนปิดหน้าปิดหน้าพวกท่านก็เข้าสมาบัติปุ๊บปุ๊บ๊บปไปแล้วก็ลงหมาหยุดที่เจตุจารย์ออกแากเจตุจารย์ก็ปรินิพานแผ่นดินไหวเลยแผ่นดินไหวแม่ก็ร้องห้ พอลูกตายก็ร้องไห้กอดเท้าเพาะแม่ไม่เห็นคุณของลูกไม่เห็นคุณของเนี่ยทีที่ภาษาญี่ปุ่ที่ชี้เห็นตรงนี้เห็นไหมว่าเออปัญญาที่ท่านสั่งสมมาเราจะเห็นได้ใช้ว่าถ้าท่านจะบรรลุวันนั้นท่านบรรลุเลยเนี่ยเนี่ยด้วยความที่ท่านต้องคนที่มีปัญญาฟังแล้วสามารถจะบรรลุได้แต่อะไรเป็นตัวหยิบย่างกรุณาท่านกรุณาในพวกเรานี้ การุณาในพวกเราที่ต้องการจะให้คําสอนแก่พวกเราที่จะทําให้เราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อท่ามองนี้จะได้เห็นชัดว่าปัญญาระดับภาษาลิบุตรไม่ต้องถึงระนาบพาุทธเจ้าเราท่านจะเข้าใจเรื่องอริยสัจค่อนข้างชัดเวลาท่านมองกระแสชีวิตท่านก็จะมองได้อย่างชัดเจนและพวกเราเนี่ยหรือบรรดาสัตว์โลกต่งางๆจะรู้สังเกตดดุจะเห็น โดยมากเราใช้กันอยู่สองสัจจะทุกขกสมุทยัยไม่แปลกว่าทําไมเราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราไปสร้างสมุทัยขึ้นมาเป็นเขตพ้นก็คือทุกข์ถ้าสมุทัยมันสร้างทุกข์แล้วเราก็ดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับชีวิตเราใช้ตัณหาใช้มานะใช้ทิฏฐิใช่ไหม เมื่อไปเกี่ยวข้องด้วยตัณหาด้วยอวิชชาด้วยทิฏฐิในส่นจริงเราก็ไปหละเราไปสัมพันธ์กับโลกและชีวิตโดยไม่ถูกต้องเราก็ประสบความทุกขเ์เสอืเช่นแทนที่เราจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยปัญญาเป็นมรรคสัจจคิดถึงเพื่อนน่าจะใช้ปัญญานําธรรมะธรรมกรรคสัจจคือทําสัมมาทิฏฐิในการคิดถึงแต่เราไปใช้ตัณหา ใ ช, ใ ช, ช้คิดถี่ใช้อวิชาไปคิดถึงกับเพื่อนก็ดีกับพี่น้องกับพ่อแม่หรือการทำกิจกรรมของชีวิตแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ดำเนินไปตามสมุทัยสัจจะไอตัวสมุทัยมันก็ผลักดันให้เราได้ทุกข์สัจ์จริงไหมแล้วมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้มันก็วนอยู่แ ก, ท ก, กทท่ทุกข์กับสมุ ท, ทยัยทุกข์กับสมุทัย นี่โลดคือจุดหมายไม่ได้วางเป้าหมายก็ว่ามักไม่ต้องพูดถึงเี้มันมีสองคู่นี่หนึ่งทุกเป็นผลสองสมุทยัยเป็นเหยืเราเห็นทุกแล้วก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวสร้างทุกขก็ยังไงเรามีกระแส ต, ตาหูจมูกลินกายใจเรามีกระแสชีวิตนี่เป็นทุกนี่เรายืนเดินนั่งนอนคู่เหเยียดก้มเงินทั้งหลายเหล่านี้คือทุกขศรราสัจจะมันแปลเปลี่ยนไปตามเบียบท่างต่าง เดี๋ยวไปยืนมั่งไปเดินบั่งไปนั่งบั่งไปนอนบ้างคูเหยียดก็มเงยกินดื่มเขี้ยวริ้มนี่แปลว่าทุกข์สัจจามันกําลังแปลเปลี่ยนทางสภาวะมันไปทุกขสัจจ์ที่มันกําลังดําเนินไปอยู่เนี้มันมาจากอะไรสมุทรทยยิ่งเรามาทําปัจจุบันในเหตุผิดอย่างเช่นไปเกี่ยวข้องกับไปกินอาหารก็มีสมุทรไทยเป็นตัวกำกับใช่ไหมมีตัณหาบ้างมีมานะบ้างมีทิฏฐิบ้าง ไปใส่เสื้อผ้าไปกินอาหารไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนไปหลับไปตื่นไปพูดไปนี่กิจกรรมของชีวิตในการทําทั้งหลายอะไรนี้เรามีตัวตันหามาหน้า ท, ที่เป็นตัวขับเคลื่อนมันก็นําไปสู่ทุกข์แล้วแล้วเราละไม่เห็นเลยนิโรธมาตรงไหนไม่มีเลยเพราะมันต้องมาตั้งหลักใหม่ว่าเอาละนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะวางจุดหมายที่ทีโลกเราเห็นทุกข์เราเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะมาเดินข้อสุดท้ายขึ้นมา เวลาเครียดเวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็ตั้งหลังว่าเอ๊ะเดินผิดข้อเรามาเดินข้อสีมาเดินสมมาทิถี่ทําปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ชัดเลยแปลว่าเราเนี่ยเริ่มเริ่มมีจุดหมายคือนิโรธสัจจะไม่ใช่จุดหมายคือทุกขสัจจะแทนที่เราจะใช้คู่แรกคือทุกขสัมปูตไทยเราไม่ใ ช, เาาใช้เรามาใช้นิโรธกับมร์เรา ม, มาเดินมร์เพื่อสู่นิโรธเราจะไม่เดินสมุูตไทยเพื่อทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็ชัด พราะเราเราเห็นแล้วทุกมากมายปัญหามากมายแล้วก็เหตุของทุกที่มันย้อนแย้งกันอยู่อย่างมากมายมันเกิดสลับกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนคู่ตั้งนิโรธไว้แล้วก็มาประชุมมามาสร้างมรรคให้เกิดขึ้นสร้างสางมาทิฏโดยเฉพาะคือว่านึกถึงพระเจ้าที่บอกว่ามีกําลังใจตอนไหนแต่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แปลว่าอะไร ไม่มีศรัทธาฝึกให้มีศรัทธาได้เกียดค้านฝึกให้มีความกล้าๆมีความเพียรความกล้าๆได้เลอะเลือนไม่มีสติฝึกให้มีสติได้ฟุ้งซ่านฝึกให้มีสมาธิได้ไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญาได้ไม่มีความอดทนฝึกให้มีความอดทนได้ไม่มีศีลฝึกให้มีศีลได้ไม่มีสมาธิฝึกให้มีสมาธิไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญาได้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ นี่แปลว่าอะไรทำให้เรามีกําลังใจจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธเป็นพุทธเจ้าก็ได้เป็นจากมนุษย์ธรรมดาเป็นภาษาดีบุรก็าธสารีบุตรก็ได้จากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระโกลาณะก็ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นท่านพระกนัญญเป็นต้นก็ได้คือจากฝึกเนี่ยจากปุถุชนเป็นอริยะได้ดังนั้นถึงพอพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ทำไงได้กําลังใจ เห็ไหมนี่เป็นก <ACE> ําลังใจแล้วแล้วถ้าบอกว่าฝึกได้นี่ได้กําลังใจบอกต้องฝึกเป็นหน้าที่ใช่ไหอฝึกได้นี่เป็นกําลังใจนะถ้าบอกต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่หนูมองว่าฝึกได้ไหมต้องฝึกไหมเอห็นไหมเนี่ยพราะฝึกได้เนี่ยเป็นหน้าที่เออฝึกได้นี่เป็นกําลังใจโอ้โหแต่ก่อนเรามองว่ามนุษย์เนี่ยฝึกไม่ได้ ไม่สามารถจะเป็นอย่างพระเจ้าได้ไม่สามารถจะเป็นอย่างภาษาดิบุตรได้ไม่อยากไม่สามารถจะเป็นอย่างผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเล่านี่ได้พระเจ้ากได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้โอ้โหเป็นกําลังใจเพราะพระเจ้ารู้พระเจ้าตรัสอย่างหนึ่งไม่มีสองแต่บอกก็ได้คือได้เอา้าเราได้แล้วนี่มนุษย์แต่หน้าที่ของเราคือต้องฝึกเอาละแต่เนี้ยพอบอกต้องฝึกนี่ทําให้เรามีพลังขึ้นมานะเอาละฉันจะต้องฝึก ออกจากความไม่เชื่อมั่นก็สู่ความเชื่อมั่นเลยตอนนี้ความเชื่อมั่นเราน้อยแล้วจะฝึกให้มีพลังให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลาดับไม่ได้มองเห็นเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจเหมือนที่อีคำหนึ่งที่บอกว่าคำว่าสิขากับคาว่าเสขาสิขานี่เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของบทฝึกไปข้อฝึกใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเสขาเนี่ย เศขาบุคคลแปลว่า tamam. คนที่มีการศึกษาหรือคนที่กําลังศึกษาถ้าเราสระอีเนี่ยนะมาเป็นสระเอกลายเป็นอะไรเศษขาเอาสระอออกกลายเป็นเศษขาหรือเอาออกกลายออกเป็นเศษขะใส่คำบุคคลเข้าไปก็เป็นเศขาบุคคลแปลว่าคนที่กําลังศึกษาหรือคนที่มีการศึกษาก็คือบุคคลที่กําลังฝึกไปตามศีลสมาธิและปัญญาใช่ไหมก็คือจะฝึกจากไม่มีศีลให้มีศีลจากไม่มีสมาธิให้มีสมาธิจากไม่มีปัญญาให้มีปัญญา ก็กลายเป็นเสขะบุคคลแปลว่าที่คนกําลังศึกษาเพื่อเข้าถึงความเป็นอาเสขะบุคคลที่จบการศึกษาคือเป็นพระละหัตเป็นภพสา ม, มาสมพุรรเจ้าปเจพู้ริเจ้าหรือสาวกขะสาวกขะพุทธะนี่ก็คือฝึกนี่เห็นไหมถ้ามองนี่เราจะเห็นชัดว่าโอ้ก็เพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องหนึ่งเรามีมีบทฝึกมีข้อฝึกอยู่แล้วแบบฝึกหัดบทฝึกหัดอยู่แล้วคือศีลสมาธิปัญญา แล้วเรามีตัวเราเนี่ยเราจะเป็นปุถุชนธรรมดาที่ไม่เป็นเสขาะก็ได้ถ้าเราจะเป็นเศ ข, ขาบุปคลเอาละใช่ไหมมันฝึกได้เราเราจะฝึ ก, เ ร, กเราจะศึกษาถ้าเราศึกเริ่มกระบวนการศึกษาเมื่อไรแล้วก็เป็นเศ ข, ขาบุคคลแล้วคนที่กําลังศึกษาเอาละจากไม่มีศีลให้มีศีลจากไม่มีสมาธิมีสมาธิจากมีปัญญาให้มีปัญญาจากที่มีกิเลสเราจะกําจัดกิเลสและกองทุกข์พะกิเลสและกองทุกข์หมด สิ้นไปแล้วก็กลายเป็นอาเศขาบุคคลแปลว่าคนจบการศึกษาใช่ไห่ะ <c oughs> <c oughs> จบการศึกษาเลยียนีมองเห็นไหมมีโอกาสไหมห